ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะมหัศจรรย์เท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ เหมือนกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถให้ความสุขอันมหัศจรรย์ได้เหมือนกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นพระมหาจักรพรรดิเป็นพระมหาราชา เป็นพระเป็นประธานาธิ บ, บดีนายกรัฐมนตรีก็จะไม่สามารถมีความสุขอันมาสจันที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้นี่คือความเลิศความวิเศษความมาสจันของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เหนือกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมก็คือรถของวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงรถแห่งธรรมคือ ดบบานังปรามังสุขขังความ บ, มบัลมัสนของพระนิพพานความสุขอันสูงสุดความสุขสุดยอดนี้มีอยู่ที่พระนิพพานเพียงแห่งเดียวเท่านั้นไม่มีในลาบยศสารเสริญไม่มีในรูปเสียงเกล็ดรสต่างๆนี่คือ รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่พวกเรากําลังเข้ามาศึกษากันเข้ามาเรียนรู้กันเพื่อที่เราจะได้เอาเข้ามาสู่ใจของเราเพื่อที่จะได้ทําให้ใจของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทําให้ใจของเรา มีแต่ความสุขอันสุดยอดไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจากจิตที่มีธรรมอันเริศของพระพุทธเจ้าอยู่ในครอบครอง การที่จะครอบครองพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้ได้จำเป็นที่จะต้องําเนินการอยู่สามขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าปริยัติแปลว่าการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขั้นตอนที่สอง หลังจากที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโน ผชุบปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะนําไปสู่ผลของการปฏิบัติคือขั้นที่สผลของการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิเวรคือบัลลุทธำขั้นต่างๆ ทำที่ให้บรรลุก็มีอยู่สี่ขั้นขั้นพระสโสดาบันขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์นี่คือปฏิเวทการบรรลุถึงผลของการปฏิบัติก่อนที่จะบรรลุได้ก็ต้องปฏิบัติก่อน ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่บรรลุณก่อนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องปริยัตยก่อนคือต้องศึกษาพระธรรมคำสอนก่อนการศึกษาพระธรรมคำสอนก็สามารถศึกษาได้จากท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง าพระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตอนก่อนที่พระองค์จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปาสะจาเราศาสดาพวกเราจะไม่ได้อยู่ปาสะจาพระพุทธเจ้าเพราะเรามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบันทึกเก็บเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาได้ยึดเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาดังนั้นสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้า เราเรียงเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ด้วยการเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงและได้มีการจดจําและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรต่างๆพระสูตรสําคัญก็คือธรรมจากกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรอันแรก เป็นคำสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จากวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ชอบได้รู้เพื่อที่จะเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนอกจากพระธรรมจกกักรปวัตตนสูตรแล้วก็มี พระอนัตตลกกระสูดพระสติปัฏฐานสูตดพระมงคลกระสูดนี่คือพระสูตรสาคัญสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธควรที่จะศึกษากันควรที่จะอ่านกันเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษา โดยตรงจากพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รับคำสอนที่ถูกต้องแม่นยมแล้วต่อไปเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปอื่นเราจะได้มีอะไรไว้เปรียบเทียบเราจะได้มีมาตรฐานวัดคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอน เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าท่านไม่สั่งสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราจะได้รู้เราจะได้ไม่หลงตามคำสอนเพราะถ้าคำสอนนั้นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นสวากขาโตภะวัตาธมโม ไม่ได้เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วไม่ได้เป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงรก็ไม่ควรที่จะไปะปฏิบัติตามเพราะจะหลงทางจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน นี่คือการศึกษาต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาจากพระธรรมคำสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกคือศึกษาพระสูตรสำคัญสำคัญนี้ประมาณสี่ห้าพระสูตรเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นในพระธรรมจักรกับรรพระวตนะสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่ามรรคแปดมรรคที่มีองค์แปดมรรคแปลว่าทางองค์แปดก็คือองค์ประกอบของทางนี้มีอยู่แปดองค์ประกอบด้วยกันอผู้ใด ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ใดที่ต้องการจะได้พบกับความสุขของพระนิพพานจำเป็นจะต้องเดินไปในทางนี้ทางของมรรคเปดจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบที่อยู่ในใจของผู้ดำเนินคือมีหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง 2. มีสัมมาสังกัปปความคิดที่ถูกต้องสสัมมากรรมโตามการกระทาที่ถูกต้อง 4. ส, สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องห้าสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้อง 6. สัมมาวายามโมการ การทำความเพียรความภาคเพียรที่ถูกต้องเจ็ดสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและแปดสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนในครั้งแรก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นสร้างกันขึ้นมาให้ได้สร้างองค์ประกอบแปดประการนี้ถ้าสร้างมีองค์ประกอบแปดประการนี้ก็เถอะว่ามีมรรคแปดมีทางเดินไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆความทุกข์ก็มีอยู่สี่ขั้นนะ ขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีขั้นของพระอนาคามีและขั้นของพระอรหั น, ต, นต์จำเป็นจะต้องมีมรรคที่ไปมรรคแปดนี้พาไปผู้ปฏิบัติจาเป็นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาวายาม สัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องสัมมาอาชิวะอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวาญโมความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้อง และสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องถ้าได้รู้มรรคที่มีองค์แปดแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะตอนนี้เรายังไม่มีมรรคที่ปีองค์แปดเราจึงยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันถ้าเรามีมรรคที่มีองค์แปดแล้ว รับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆนี้จะหมดไปอย่างแน่นอนนี่คือตัวอย่างของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ศึกษาแล้วเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปอื่นถ้าท่านสอนแล้วไม่มีมรรคแปดก็เริ่มสงสัยได้แล้วว่า ท่านกำลังสอนให้เราไปไหนกันแนเ่เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนให้ไปสวรรค์กันไปนู่นไปนี่กันซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราไปกันพระพุทธเจ้าต้องการให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งไม่ได้ให้เราไปเป็นเทพเป็นพรหมกันให้เราไปเป็นพระอาริยะบุคคลกันแต่การดําเนินนี้ก็จะต้องผ่านการเป็นเทพเป็นพรหมไปกอ่อนแต่เป้าหมายสุดท้ายนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปเป็นเทพไปเป็นพรหม เาหมายสุดท้ายนี้อยู่ที่การไปเป็นพระอริยะบุคคลไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่คือสิ่งสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้มีมาตรฐาน ที่จะได้เปรียบเทียบกับคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอนให้เราไปไหนกันถ้าไม่ถ้าท่านไม่ได้สอนมรรคแปดก็สแสดงว่าท่านไม่ได้สอนให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้สอนให้เราไปสู่การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ แล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกบางทีท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกท่านก็สอนไปเพราะท่านถูกหลอกมาก่อนโดยที่ท่านไม่รู้สึกตัวว่าท่านถูกหลอกท่านก็คิดว่าท่านสอนอย่างถูกต้องแต่ถ้ามันไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ก็ไม่ถือว่าเป็นการสอนที่ถูกต้องได้ เช่นกุูบาอาจารย์บางรูปอาจจะสอนว่าไม่ต้องมีสัมมาสมาธิไม่ต้องมีสมาธิก็สามารถที่จะบรรลุได้อันนี้ก็เป็นการสอนที่ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าต้องมีสัมมาสมาธิต้องมี สัมมาสมาธิเป็นส่วนของมรรคแปดถึงจะสามารถหลุดพ้นได้ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิก็มีแค่มรรคเจ็ดมรรคเจ็ดก็เหมือนรถยนต์ที่มีสามล้อแทนที่จะมีสี่ล้อด้วยยางตากไปเส้นหนึ่งรถถ้ามียางตากเส้นหนึ่งนี่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าจะวิ่งไปได้เหมือนกับรถที่มีสี่ล้อมียางครบสี่ล้อหรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันมรตถ้าเป็นมรกเจ็ดมันก็ไม่ใช่มรตถแปดถ้ามันไม่ใช่มรตถแปดมันก็จะไม่ไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือการศึกษาเราควรจะศึกษาจากแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของความรู้ทั้งหลาย ก็ศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าควรจะอ่านพระสูตรเหล่านี้กันบ้างเราเป็นชาวพุทธมีพระสูตรไม่กี่พระสูตรสี่ห้าพระสูตรนี้เท่านั้นเองที่เราควรที่จะศึกษากันแล้วเราจะได้รู้ว่าทางสู่การหลุดพน้นจากของความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร นี่เรียกว่าปริยัตการศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็เป็นเหมือนคนตาบอดคลำทางถ้าศึกษาก็เป็นเหมือนคนตาดีคนตาดีกับคนตาบอดนี่เวลาไปไหนมาไหนนี่ใครจะสะดวกสบายกว่ากันใครจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ใครจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางฉันใดคนที่ไม่ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ก็ถือว่าเป็นเหมือนคนตาบอดแล้วไปศึกษากับคนที่ไม่ได้ศึกษาแล้วมาสั่งมาสอนก็เป็นเหมือนกับการไปศึกษากับคนตาบอด คนตาบอดสอนคนตาบอดคนตาบอดนำคนตาบอดจะนำไปไหนกันคนตาบอดนี่มองไม่เห็นทางตัวเองมองไม่เห็นทางแล้วจะพาคนที่ไม่เห็นทางนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้อย่างไรนี่คือปัญหาของการศึกษาในยุคปัจจุบัน เราศึกษาจากผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จริงเห็นจริงเพราะว่าการที่เราจะมาสั่งสอนผู้อื่นได้นั้นนอกจากการศึกษาแล้วยังต้องไปปฏิบัติก่อนไปปฏิบัติเพื่อจะได้พิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ได้ศึกษามานี้ถูกต้องหรือไม่ สามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ต้องไปพิสูจน์ก่อนศึกษาแล้วต้องนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาคือมรรคแปดนี้ไปพิสูจน์ก่อนไปสร้างมรรคแปดขึ้นมาแล้วดูว่ามรรคแปดนี้สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้หรือเปล่าก่อนถ้ายังไม่ได้ไปพิสูจน์ได้แต่เพียงศึกษาแล้วมาสั่งมาสอนผู้อื่นก็จะไม่สามารถที่จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะไม่รู้ว่า มักแปดที่ตนเองได้ศึกษานี่สามารถกำจัดความทุกข์ได้จริงหรือไม่เพราะตนเองยังไม่ได้ไปพิสูจน์ก็เลยสอนแบบไม่มั่นใจสอนแบบงูงูปลาปลาสอนบางทีก็อาจจะสอนไม่ครบอาจจะเหมือนอย่างที่สมัยนี้ที่มีการตัด สัมมาสมาธิออกไปก็เพราะผู้สอนนี้ไม่มีสัมมาสมาธิเลยไม่เห็นความสําคัญของสมาธิแล้ววิมุตติที่ตนได้ลบก็ไม่ได้เป็นวิมุตติที่แท้จริงคือการดับทุกข์ก็ไม่ได้เป็นการดับทุกข์ที่แท้จริงดับได้แบบประเดียวประดาวบบดับเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ดับไม่ได้อย่างถาวร น, นี่คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาสอนไม่ต้องนั่งสมาธิสอนให้ดูจิตแล้วก็จะดับความทุกข์ได้ดับได้เฉพาะประเดียวประดาวแล้วก็ดับได้เฉพาะความทุกข์บางชนิด ทุกตัวเล็กๆนี่อาจจะดับได้ดแต่เจอทุกตัวใหญ่ๆนี่ยังจะจะดับไม่ได้ทุกตัวเล็กๆที่ดับแล้วมันก็ไม่ตายดับปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าใช้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วรับประกันได้ว่าทุกทั้งหลายจะไม่ดับสิ้นไปอย่างถาวร ดับไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองจึงต้องหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติไปสร้างมรรคแปดขึ้นมาการปฏิบัติก็คือการสร้างมรรคแปดขึ้นมาเหมือนกับเป็นการสร้างทางเวลาที่เราจะ ทำทางนี่เราก็ต้องมีอุปกรณ์มีวัสดุก่อสร้างต่างๆมีเห็นมีทรายมีอะไรต่างๆมาทําเป็นถนนทําเป็นทางถ้าไม่มีวัสดุมันก็จะไม่เป็นทางขึ้นมาถ้าไม่มีมร์ถ้าไม่มีองค์ประกอบแปดประการนี้มร์แปดก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ สัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มอีองค์ประกอบทั้งแปประกาศนี้มรรคแก็ไม่เป็นมรรคนะเาน้นผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาให้ได้นะความสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็ ค, คือความเห็นในพระอริยรรสัจสี่นี่เองเห็นว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตาย การพัดพลากจากกันคือความทุกขนะ์และต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรก็คือความอยากที่จะมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เอาไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเพื่อจะได้เกิดความสุขขึ้นมาจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเหมือนควันไฟพอหมดแล้วก็ต้องเสพอีกแล้วถ้าไม่สามารถจะเสพได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายไป เลยเวลาพัดพกากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากมีร่างกาย พอมีร่างกายก็อยากไม่เสียร่างกายไปไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีแล้วถ้าจะต้องการให้ความทุกข์นี้ดับไปจะต้องทําอย่างไร<ม>ก็จะต้องมีมรรคมรรคคืออะไร มร ก, ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปนี่จนถึงสัมมาส ม, มาธิมาหยุดมันอะเั็นพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้แล้วว่าจะต้องมีจะต้องมีมีมรมาหยุดความอยากสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญา สัมมาทิติก็คือต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์เช่นร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายก็จะต้องทุกข์แล้วถ้าอยากจะหาความสุขจากทางร่างกายเวลาร่างกายอันนี้ตายไปก็จะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มีร่างกายใหม่นี้มาหาความสุขใหม่อีกแต่มันความสุข ชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องเจอกับความทุกเวลาความสุขนี้หมดไปเวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายไปนะนี่คือสัมมาทิฏฐิเราต้องรู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราถ้าเรา อยากจะดับทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากเราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือเราต้องมีปัญญามีความรู้ที่จะมาดับความทุกข์คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งให้มันเที่ยงสั่งให้เป็นของเราไม่ได้ ฉะนั้นเราจะได้เลอกไปมีร่างกายเลอกทำสิ่งที่เราอยากมันก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันก็จะทำให้เราหยุดความอยากได้มีมักนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสัมมาสังกปรสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาสามังกป ร, ร, ก ร, กปรคือต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ถ้าเราก็จะได้มีสัมมารกรรมมันโตรือเราจะได้มีการกระทาที่ไม่ทำให้เกิดทุกข์การกระทาที่ทำให้เกิดทุกข์เราก็จะหยุดมันเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีการดื่มโซลายามเมาเนี่ย การกระทําที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้เกิดทุกข์ก็ต้องไม่มีการกระทำํำไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดประเวณีไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่มีการดื่มสุรายาเมาแล้วเราก็จะมีสัมมาวาจาเราจะไม่พูดสิ่งที่จะทําให้เกิดความทุกข์ ขึ้นมาก็คือการโกหกการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดนี่เป็นการพูดที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะทําให้เราทุกข์เวลาเราไปโกหกใครถ้าใครเขาจับเราได้ก็จะไม่มีใครเขาจะไว้ใจเราอีกต่อไป ถ้าเราไปโกหกแล้วทางความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเขาก็จะจับเราไปลงโทษติดคุกติดตารางได้ถ้าเราไปหมิ่นประมาทเขาก็ฟ้องร้องเราได้นี่คือวาจาถ้าพูดปดพูดไม่จริงพูดคำหยาบก็ไม่ดีพูดเพ่อเจ้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดสาเสียน ก็ทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันก็ไม่ดีเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนกันตามมานี่คือสัมมาวาจาสัมมาอธชีวก็จะทำอาชีพที่ไม่เกิดไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ขายสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นสุรายาเม า, เายาพิษต่างๆสารพิษต่างๆ เลืออาวุธต่างๆที่ไว้ใช้ในการเข็นฆ่ากันหรือค้าสิ่งที่มีชีวิตเพื่อจะเอาไปฆ่าไปกินกันค้าสัตว์เพื่อจะได้เอาสัตว์นี้ไปฆ่าไปแกงไปกินกันอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและความทุกข์นั้นมันก็จะกลับมาหาเราได้เพราะ เวลาคนอื่นเขาเห็นเราค้าขายอย่างนี้เขาก็อยากจะค้าขายบ้างแล้วดีไม่ดีเขาก็มาจับเราไปเป็นอของที่จะเอาไปค้าขายก็ได้ดังนันต้องมีสัมมาอาชิโะแล้วก็ต้องมีสัมมาวายาโมคือความภาคเพียรที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องก็คือภาคเพียรสร้างมรรคขึ้นมานี่ สร้างสัมมาทิฏฐิสร้างสัมมาสังกปสร้างสัมมากรมมันโตสร้างสัมมาวาจาโมสร้างสัมมาสติสร้างสัมมาสมาธิพอเรามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปมีสัมมากรมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรแล้วเราก็มาสร้างสัมมาสติต่อการเล่นสติการเล่ลึกชอบ ระเลิอกอยังไงถึงละเลิกชอบก็ให้ละเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดหลายๆเรื่องไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรให้คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคำบากีรมพุทโธพุทโธไปกายใจก็จะมีสัมมาสติขึ้นมาแล้วพอมีสัมมาสติก็จะสามารถไปทำให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมา สัมมาสมาธิก็คือการตั้งมั่นของใจใจนี้ควรจะตั้งมั่นอยู่ในที่ไหนใจก็ควรตั้งมั่นอยู่ในความสงบนิ่งนี้เองสักดิแต่ว่ารู้ตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขานี่เป็นสัมมาสมาธิเพราะใจที่มีความสงบนิ่งมีอุเบกขาจะมีความสุขมาก น่าจะมีพลังมากมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจได้นี่ถ้ามีมรรคที่เป็นองค์แปดแล้วความทุกข์ต่างๆนี้ก็จะถูกกาจัดไปหมดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่จากภายในใจอีกต่อไปก็จะได้บรรลุถึงขั้นต่างๆบรรลุขั้นสวดาบัน ก็จะกำจัดความทุกข์ในระดับแรกได้ระดับขั้นสกิทาคามีก็จะร ะ, ระดับความทุกข์ระดับขั้นที่สองได้บรรลุ ข, ขั้นที่สามก็จะดับความทุกข์ขั้นที่สามได้บรรลุ ข, ขั้นที่สี่ก็จะดับความทุกข์ขั้นสุดท้ายได้หลังจากขั้นที่สี่แล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปใจก็จะเป็นนิพพานไป ใจก็จะเป็นบรลมุสุขไปใจก็จะมีแต่บัลมุสุขอยู่ไปตลอดใจก็จะไม่มีเหตุที่จะพามาให้เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นที่สี่นี้เหตุที่จะพามาให้เกิดยังไม่หมดยังมีเหตุที่จะพาให้มาเกิดได้อยู่แต่พอได้ถึงขั้นที่สี่ได้เจริญมรรค ที่สามารถหยุดความอยากขั้นที่สี่ที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นให้หมดไปจากใจได้การจะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นที่สี่นี้ยังมีการกลับมาเกิดได้เช่นถ้าได้ขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันนี้ยังมีการมาเกิดได้อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสะกิดาคามีก็ยังมีการมาเกิดได้อีกแต่เกิดมีเพียงชาติเดียวเกิดในกามาภพคือเกิดในภพของมนุษย์พระโสดาบันกับพระสะกิดาคามีนี่ยังมีกามารมณ์ยังมีความอยากทางกามารมณ์อยู่จึงยังต้องกลับมาอยากจะมาเสพกามารมณ์อยู่ถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นที่สามนี่ ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดครั้งพระสะกิฎาคามีก็ไม่เกินครั้งเดียวเพื่อจะสามารถกําจัดก า, มารมลลมได้ถ้ากําจัดก า, มารมลลมกาจัดความอยากในกามได้ก็จะได้บรรลุถึงขั้นที่สามขั้นที่สามนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่ยังมีความอยากไปเกิดในข่านในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่พระอนาคามีนี้กำจัดความอยากกามตัณหาได้แต่ยังไม่สามารถกำจัดวิภวตัณหาหรือภาวะตัณหาได้ความอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมยังมีอยู่ในใจของพระอนาคามีก็เลยต้องไปเกิดเป็นพรหมก่อน ถ้ากำจัดภาวตัญหาวิภาวะตัญหาได้หมดสิ้นไปก็จะไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปขอ ค, ความอยากเกิดไม่มีแล้วภาวะแปลว่าพบชาติการอยากมีพบชาติไม่มีแล้วเมื่อไม่มีพบชาติก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นขั้นที่สี่ขั้นภาหันภาลันนี้กำจัดกามตันหาภาวะตันหา ปีภาวะทันหาได้หมดสิ้นใจก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในไตพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบรูปพบและอรูปพบนี่คือ ว, วิมุดเอเรียกว่าปฏิเวทผลที่เกิดจาก การปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีความทุกข์ทุกข์นั้นเกิดเมื่อมีการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ถ้าได้ถึงขั้นนี้แล้วได้พิสูจน์เห็นอย่างชัดเจนอยู่ภายในใจแล้วว่าทำที่ต้องปฏิบัตินี้มีอะไรบ้างก็จะไม่มีความสงสัยจะไม่มีการมาเลือกปฏิบัติเลือกให้ปฏิบัติบางข้อข้อนี้ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ไม่มีถ้าปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่าต้องปฏิบัติทุกข้อ มักที่มีองคแปดนี้ต้องมีทุกข้อต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากรรมตโตสัมมาวจาสัมมาวอาชิโกสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิขาดไม่ได้ขาดองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจะไม่สามารถบรรลุวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี่ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติถึงจะรู้จริงเห็นจริงเมื่อรู้จริงเห็นจริงแล้วก็สามารถนำเอาไปสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้ที่ได้ไปศึกษาก็จะสามารถรับผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำเช่นเดียวกับผู้สอนเช่นพระพุทธเจ้าทรงได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ จนได้บรรลุถึงพันธิพานแล้วพระองค์จึงนํามาความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นที่ได้รับการศึกษาสามารถได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สมหุดพ้นฉั้นก่อนที่เราจะไปเป็นครูเป็นอาจารย์นั้น เราควรจะศึกษาปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก่อนถึงค่อยไปปฏิบัติไปถึงค่อยไปสั่งสอนถ้าเราไปสั่งสอนก่อนนี้เราจะสอนแบบผิดผิดถูกถูกสอนแบบไม่ครบบริบูรณ์เพราะเราไม่รู้ว่าจาเป็นจะต้องปฏิบัติทุก ข, ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็อาจจะคิดว่าอันนี้ไม่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติก็ได้อันนี้ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบำเพ็ญอยู่หกปีนี้ทรงปฏิบัติอยู่หกปีทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่หกปีนี้ พระ อ, องค์ไม่ได้ไปสั่งสอนใครเลยพระ อ, องค์เพียนพยายามที่จะปฏิบัติเพียนพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามรรคที่มีองค์แปนี้นี้สามารถทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือไม่นหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน เพราะว่าพระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์จึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้นี้ผู้อื่นอีกต่อ น, นึ้งหลังจากที่ทรงตัดสู้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์ก็สั่งสอนผู้อื่นอย่างต่อเ น, นื่องแต่ตอนที่ทรงปฏิบัตินี้ไม่สั่งสอนใครเลยเพราะยังไม่รู้อย่างน่าใจว่า เป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่เพราะใจของพระ อ, องค์ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกนั่นเองแต่พอได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ทรงรู้ว่ามรรคที่มีองค์แปดที่พระ อ, องค์ทรงค้นพบนี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงพระ อ, องค์ก็เลยสามารถสั่งสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำสั่งสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ให้หลุดพน้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงหลุดพน้นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสโลแล้วนี่เวลาที่เหลือของพระองค์คือ45ปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันทภารินิพพานจากโลกนี้ไปพระองค์ก็ชงใช้เวลา45ปีนี้ให้กับการเผยแผ่สั่งสอน ธรรมะอันเลิศอันวิเศษที่พระพุทธองค์ได้ส่งคนพบให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นได้รู้ได้เห็นได้นำเอาไปปฏิบัติพอเขาได้ยินได้ฟังนั้นมีศรัทธาความเชื่อน้อมนาเอาไปปฏิบัติเขาก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยพระอรหานนี่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้า ตัดสรู้ก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสรูน้นี่จะไม่มีใครสามารถบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้เลยจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนมรรคแปดก่อนพอมีพระพุทธเจ้ามาสอนมรรคแปดแล้วพอนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้หลุดพ้นเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมา แล้วก็มาเป็นครูอาจารย์ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนไดน้แหล่งของการศึกษาของพวกเรานี้มีอยู่สาแหล่งด้วยกันแหล่งแรกก็คือพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าได้เลยถ้าพระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีการจารึกได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรต่างๆเราก็สามารถศึกษาได้จากแหล่งนี้แล้วถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพระอาหารหันตสาวกเราก็สามารถที่จะศึกษาจากท่านได้โดยตรงเช่นเดียวกันถ้าได้ศึกษากับพระอาหารหันตสาวกก็ถือว่าได้ ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเพระสอนมรรคแเหมือนกันได้หลุดพ้นด้วยมรรคแเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็จะสามารถสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้มรรคแปดได้รู้และได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนี่คือแหล่งของความรู้ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมคาสอนที่ได้มีการ บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกและอยู่ที่พระอาหลานตัสสาวกทุกรูปทุกองค์ถ้ามีโอกาสได้พบองค์ใดองค์หนึ่งก็สามารถใช้เป็นแหล่งของการศึกษาหาความรู้ที่จะนำเอาไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ที่จะนำไปสู่ปฏิเวสคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ นี่คือสามขั้นตอนของการดาเนินไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นตอนที่จะนำไปสู่การได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงธรรมที่เป็นธรรมที่เลิศที่วิเศษธรรมที่เป็นสิ่งที่ ดีกว่าสิ่ง ต, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องเกิดจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติแลได้ปฏิเวทคือได้บรรลุผลของการปฏิบัติถึงจะได้ทำแท้ถ้าเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียวทำที่ได้ศึกษานี้ยังไม่ได้เป็นทำแท้เพราะอะไรเพราะว่าทำที่ศึกษานี้ยังไม่สามารถ มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้พวกเราตอนนี้ก็ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากันมาอย่างต่อเ น, นื่องแต่ถ้าเรายังไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติเนี่เรายังจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้ต่อให้ฟังไปจนวันตาย มีจำได้จำพระไตรปิฎกได้ทั้งพระไตรปิฎกมันก็จะไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะธรรมที่ศึกษานี้ไม่มีกําลังที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้สิ่งที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนศึกษาแล้วก็จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกผลที่คนจะได้รับก็จะไม่ได้รับถ้าเป็นการปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูปฏิบัติแบบไม่ครบถ้วนบริบูรณ เช่นปฏิบัติแบบไม่มีสัมมาสมาธิเป็นต้นจะไม่มีวันที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้จะต้องปฏิบัติมรรคแให้ครบทั้ง8องค์ด้วยกันถึงจะได้วิมุตติหลุดพ้นถึงจะได้มรรคผลนิพพานนี่คือเรื่องของ การเข้าหาพระธรรมคสอนเข้าเข้าหาพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เลอที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จาเป็นที่จะต้องเข้าด้วยการปริยัติคือการศึกษาและต่อด้วยการปฏิบัติจากการปฏิบัติก็จะได้รับปฏิเวทคือการบรรลุผลของการปฏิบัติ ถ้ายังปฏิบัติแล้วยังไม่ได้บรรลุผลคือความทุกข์ยังไม่ดับไปจากใจก็ยังไม่เรียกว่าปฏิเวทจะเกิดผลขึ้นมาก็ต่อเมื่อเกิดการดับของความทุกข์ในระดับต่างๆดับความทุกข์ระดับแรกก็ได้ระดับของพระโสดาบันดับความทุกข์ระดับที่สองก็ระดับของพระสกิดาคามีดับความทุกข์ระดับที่สามก็ ได้ระดับของพระอนาคามีและระดับความทุกข์ในระดับที่สี่ระดับสุดท้ายได้ก็ได้ระดับของพะอระอรหันต์ผู้ปฏิบัตินี้จะรู้เองว่าตนเองได้บรรลุแล้วหรือไม่ดูที่การดับของความทุกข์ที่มีอยู่นี้อยู่ในใจนี้ว่าดับได้หรื อ, อยังถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้บรรลุ การจะบรรลุว่าจะดับได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูเวลาทุกมันเกิดแล้วดูเสว่ามันดับได้หรือไม่ได้ถ้าดับมันได้ก็แล้วมันไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะรู้ว่าดับได้จริงมันไม่ใช่บรรลุด้วยการมานั่งคิดเฉยๆว่าอรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการบรรลุ พอยังไม่มีทุกข์ปรากฏขึ้นมาให้ดับเพียงแต่รู้เฉยๆรู้จากการล่ําเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังรู้ว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่กลัวจริงหรือไม่เมื่อมันยังไม่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาจะไปรู้ได้อย่างไรถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปหาความแก่ความเจ็บความตายดู ดูว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วใจทุกข์หรือไม่ทุกข์ดูว่าเวลาตายจะตายนี้จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ถึงจะรู้ว่าดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ถ้ามันมีความทุกข์เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วดับความทุกข์นั้นไปได้ไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่อไปอย่างนั้นถึงจะรู้ว่าดับได้จริงเวลาเจอความตายแล้วดับความกลัวตายดับความทุกข์ที่เกิดจาก ความกลัวตายได้หายกลัวไม่กลัวตายต่อไปอย่างนี้ถึงจะรู้ว่าดับความทุกข์ได้ไม่ใช่ดับได้จะเพราะเพียงแต่มานั่งคิดเฉยๆทั้งๆ ท, ที่ใจยังไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเพียงการคิดไปเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นการบรรลุจริงการบรรลุจริงนี้ต้องไปพิสูจน์ต้องไปเจอของจริง เจอความแก่แล้วดูสิทุกหรือไม่ทุกเวลาผมหงอกแล้วทุกหรือไม่เวลาหนังเหี่ยวย่นแล้วทุกหรือไม่เวลาเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ทุกหรือไม่เวลาจะตายแล้วทุกหรือไม่ถ้าไม่ทุกเนี่ยเวลาทุกแล้วดับมันได้ทุกคนเราทุกคนต้องทุกเวลาเจอความแก่นี้ไม่มีใครไม่ทุกกันเจอแล้วทุกทั้งนั้นเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกกัน เจอความตายก็ทุกข์กันเวลาทุกข์แล้วดับมันได้หรือเปล่าดับด้วยมรรคแปดได้หรือเปล่าถ้าดับด้วยมรรคแปดได้รับรองได้ว่าความทุกข์นั้นจะไม่กลับโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบรรลุจริงบรรลุ ด, ด้วยการดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจและรู้ว่าความทุกข์นั้นจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปะ ถึงจะเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมเรียกว่าวิมุตติวิมุตติก็มีสี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีขั้นอรหันต์ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ว่าได้บรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงถ้า ถ้าบรรลุด้วยการแค่ศึกษาด้วยการจินตนาการคิดไปเองนี้ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุจริงเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของปฏิเวทผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยจะต้องปฏิบัติแล้วถึงจะได้เห็นปฏิเวทขึ้นมาก่อนจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องปริยัตต้องศึกษาให้เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง ต้องมีอะไรบ้างต้องสร้างอะไรบ้างก็ต้องสร้างมรรคแปดขึ้นมาสร้างสัมาทิฐิจนถึงสัมมาสมาธิให้ครบทุกองค์พอมีแล้วก็นาําเอาไปพิสูจน์ดูว่าสามารถดับความทุกข์ได้ไหมเวลาแจ้ความทุกข์ดับมันได้หรือเปล่าดับแล้วความทุกข์นั้นยังกลับมาได้หรือเปล่า ต้องต้องพิสูจน์ต้องรู้อย่างแน่วแน่มั่นใจว่าดับได้และจะไม่มีวันเกิดอีกต่อไปอย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงนี่คือความวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าความมหัศ จ, จรรย์ความสุขที่ได้นี้จะเป็นความสุขที่มหัศ จ, จรรย์มากการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นความ รู้สึกที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้เกิดความมหัศจรรย์ใจอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความมหัศจรรย์ใจเกิดความวิเศษขึ้นมาภายในใจเลยจึยงขอให้ท่านจงให้ความสำคัญ ขอให้ท่านมีความยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อมีความยินดีแล้วท่านจะได้เข้าหาพระธรรมคําสอนจะได้ศึกษาแล้วจะได้น้อำนําออกไปปฏิบัติและจะได้บรรลุจะได้สัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่จะทําให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าบรมะสุขน่าจะครอบครองบรมมะสุขนี้ไว้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยถาวาริวาาปุราปริปุรนติสาคัม เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหาเขปเมวะสมมิจโตสัเพบรินตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพิเโยวิวัจันตสัร โลวินาสตุมาเตภวะตุวันตรายุสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทานศีลสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวะทานติอายุวันโสุขังพลาง ลาดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยอย่าถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่ตอบจะตอบเฉพาะในช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ตอนนี้ใครไม่อยากจะถามโดยตรงก็จะเขียนข้อความให้ผู้ผู้อ่านอ่านแทนให้ก็ได้เรามีผู้อ่านเสียงไพเราะอ่านให้ฟัง เสียงภพยรอแต่ตัวไม่รู้ไพเราเวลาฟังวิทยุนี่ฟังเสียงแล้วแหมจินตนาการไปต่างๆนานาพอไปเจอตัวเข้าไปมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเสียงเลยวันนี้ทางเฟ e บุ๊กกับยูทูบเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยสิบเอ็ดคน Youtube เข้ามาหนึ่งร้อยหนึ่งคน l ล n e มีผู้ติดตามห้าพันสามร้อยเจสบปดคน ines, แล้วก็ไอจีมีทั้งหมดสี่คนครับได้ถ้ายังไม่มีใครอยากจะถามมีไมเอ่ยเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปให้หน่อยกับผมยังนั่งสมาธิยังไม่เป็นครับก็คือนั่งแล้วมันก็กระดุกกระดิกยุกยิกไปเรื่อย ก็เลยไม่รู้ว่าการกระดุกกระดิกนี้มันเป็นข้อห้ามในการนั่งสมาธิหรือเปล่าก็เราเชือกที่เรามัดจิตมันไม่มีกำลังหรือมัดไม่แน่นในเวลาเราไปจับสัตว์แล้วเราไปต้องการให้มันนิ่งแล้วก็ต้องมัดให้มันแน่นหรือเชือกที่เรามัดนี่ต้องมันแข็งแรงไม่ใช่พอมันดิ้นปั pues ๊บมันก็ขาดมันก็จะดิ้นได้เราต้องมีเชือกมัดจิตเรา เชือกที่จะมาจิตเราเรียกว่าสติถ้าเราไม่ฝึกสติเวลา น, นั่งมันก็จะดุกดิกดุกดิก้กงั้นต้องฝึกต้องมีสติก่อนที่จะมานั่งต้องมีเชือกก่อนที่จะมาจับลิงได้ถ้าไม่มีเชือกจับลิงไม่ได้จับลิงให้มันนั่งนิ่งนิ่งเฉยเฉไม่ได้งั้นต้องฝึกสติให้มากวิธีฝึกสติก็คือให้ใจเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคบาบาลีคำพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือถ้าไม่บริกรรมก็ดูร่างกายเราไปเรื่อยๆเราดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาทำก็อย่าไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กำลังเดินก็อยู่กับการเดินกำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่าไปคิดถึงที่ใกล้ที่ไกลอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ ถ้าคิดกะแสดงว่าไม่มีสติเวลานั่งจิตมันก็จะไม่นิ่งอีกข้อหนึงครับสมมติว่าผมนั่งเครื่องบินมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยยังเหมือนตัวเองไม่ได้หลับแต่ว่ามันก็มีอาการคล้ายคนหลับแต่เหมือนกับรู้ตัวเองจนกระทั่งลืมตาขึ้นอะไรประมาณเนี่ยอย่างนี้จะเรียกว่าอยู่ในสมาธิไหมครับ ถ้ารู้บางไม่รู้บ้างก็คลิ้มเคลิ้ก็แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นสติก็ไม่สมบูรณ์ถ้าจะสมบูรณ์ก็ต้องแบบรู้แบบตอนที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ตอนนี้เรามีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาเราจะรู้เวลาจิตสงบเราก็จะรู้ไม่แบบเคล้มเิมรู้แบบเคล้มเิมจะเคล้มเคลิ้ก็แสดงว่าสติเราหย่อนยานใกล้จะหลับหมดแล้วเหรอ งั้นสิ่งที่คุณควจะทําให้มากก็คือฝึกสติให้มากมีใครอยากจะถามไหมถามได้เลยมึงไม่ต้องเกรงใจเถียงแม่กับอธิบายเหตุผลนีิต่างกันไหมคะก็ต้องดูว่าคนฟังเขายินดีจะฟังหรือไม่ก่อนต้องขออนุญาตแม่ก่อนเช่น แ, แม่พูดอะไรก็ฟังให้เสร็จก่อน อย่าท่านพูดยังไม่ทันเสร็จก็เถียงกลับไปนี่เรียกตอบกลับไปก็เถียงแล้วต้องมีมารายาทต้องรู้จักฟังรู้จับเวลาฟังรู้จักเวลาพูดรู้จักกาละเทศะเวลาแม่ก็พูดอะไรก็ปล่อยก็พูดให้เขพอกันพอพูดเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นก็ยกมือว่าขออนุญาตขออธิบายถ้าแม่บอกโอเคก็อธิบายไปถ้าแม่ก็ไม่ฟังก็ไม่ต้องอธิบาย กันเนี่ยค่ะโมที่อธิบายแล้วเขาไม่ฟังแล้วก็นั่นแหละก็ไม่ฟังแล้วไปบายเสียเวลาทําไมแล้วบาปไหมคะอย่างเงี้ยมันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เคารพหนึ่งไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ถ้านอาจจะสั่งจะสอนจะบอกอะไรเราอให้ควาเคารพ ก, ก็คือน้อมเอาคําสอนของท่านคําพูดของท่านมาแต่เราไม่ไม่จําเป็นจะต้องทําตามเสมอ เพราะถ้าท่านพูดในสิ่งที่ไม่ถูกเราก็ไม่ท่องทําตามแปลว่าถ้าไม่ทําตามนี่ไม่บาปไม่บาปไม่บาปแต่เถียงนี่ไม่ควรก็ไม่ได้เถียงทีเดียวไม่ถึงว่าท่านพูดแต่บางทีพอท่านพูดเสร็จเราก็อธิบายเหตุผลว่าที่เราคิดกับท่านบางครั้งมันไม่ตรงกันใช่ไหมคะเราก็ที่บายแต่ท่านก็ยังไม่ไม่ฟังเราท่านก็โกรธเหมือนว่าเราเนี่ยแหละก็อย่าไปอธิบายดีกว่าเฉยๆดีกว่าแล้วถ้าจะได้ไม่โกรธเราไม่อยากให้แม่เสียใจไม่อยากให้ท่านทุกข์ <S <S ก็เฉยๆไปทำท่าน้อมรับคำสอนไปเจ้าข้าเจ้าข้าไปสาธุไป é, ท่านจะได้แฮปปี้ส่วนเราจะไปทำอะไรก็เรื่องของเราต่อไปนะทาให้แม่เสียใจไม่ดีหรอกแม่ท่านรักเราเมตตามีความปรารถนาดีกับเราแต่ท่านอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิก็ได้สิ่งที่ท่านอยากเราทำอาจจะไม่ถูกก็ได้ <S <S แต่เราไม่ต<ม>้องเถียงก็ปล่อยท่านพูดไปให้ท่านสบายใจให้ท่านได้ระบาย ส่วนเราก็ไปทําเรื่องของเราต่อไป <Okay. S 1> ถ้าเราคิดว่าถูกอย่างพระพุทธเจ้าเขาทาให้พ่อเสียใจพ่ออยากจะให้อยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พระพุทธเจ้าก็อยากจะไปบวชนี่ท่านก็ไม่เถียงท่านก็ไปเลย <Okay. S 1> ไม่ต้องไม่ต้องมาขออนุญาตขอก็ไม่ได้ไป <Okay. S 1> <c oughs> ใช่ไหมนกว่าเป็นเรื่องบาปนะคะบางทีท่านบอกให้เราทําแบบนี้แต่บางทีเราไม่บาปหรอกถ้าการกระทํามันไม่บาปมันก็ไม่บาป ถ้าแม่บอกให้ไม่มีผัวสองคนแล้ว เ, เอาคนเดียวเงี้ย <c oughs> นี่ก็ไม่บาบม า, บาไม่บาบ้าไม่ได้อยู่ที่คนบอกอยู่ที่การกระทำของเราเอาทรงหน่อย <c oughs> ใครอยากจะถามก็ถามต่อได้เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะเปิดมาได้ยังเปิดแล้วคะ่ะคือ ตอนที่ไม่ได้ป่วยอะคะ่ะก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเวลาปวดขาก็ปล่อยวางได้ะคะ่ะกำหนดจิตปล่อยปล่อยไปจะปวดก็ปวดไปะคะแล้วก็กําหนดลมหายใจอยู่ที่ท้องที่มันยุบหนอ่อพองหนอเนี้ยค่ะมันก็ทําได้แต่ว่าพอปว่วยขึ้นมาเงี้ยค่ะมันปวดหัวก็พยายามพยายามปล่อยแล้วแต่ว่ามันก็ปล่อยไม่ได้มันบางทีมันมันปวดจนมันแบบมันนั่งต่อไม่ได้เนะะี้ยค่ะ ต้องต้องปฏิบัติยังไงอะค่ะก็ต้องปฏิบัติแบบตอนที่เรานั่งแล้วเจ็บนะคิดว่ามันก็เป็นความเจ็บแบบเดียวกันแล้วก็เราก็ทําแบบตอนที่เราเจ็บตอนที่เรานั่งแล้วมันเจ็บเราก็ดูยุบหนอะพองหนอไปอย่าไปดูที่ความปวดยิ่งดูมันยิ่งทรมานเพราะอยากจะให้มันหายปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้มันหายมันก็เลยทําให้เราทรมานใจแต่ถ้าเรา ปล่อยมันปล่อยมันปวดไปมึงจะปวดเท่าไหร่ปวดไปเราจะดุ๊กหนอพองหนอของเนาไปแล้วมันจะไม่ทรมานใจเราจะอยู่กับความปวดได้อย่าไปอยากให้มันหายนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราบังคับไม่ได้มันจะหายเดี๋ยวมันหายเองถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปเหมือนฝนตกเวลาฝนตกไปอยากให้มันหยุดนี่มันก็จะทรมานก็ปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็หยุดเอง อย่าไปอยากให้มันหายก็คือฝืนไป เ, เรื่อยๆก็ดูลมหายใจไปพุทธยุบหนอพองหนอไปพุทโทไปได้ปล่อยมันไม่ได้ฝืนะปล่อยมันปล่อยให้มันเจ็บไปเหมือนปล่อยให้ฝนตกไปแล้วถ้ามันเจ็บมากๆต้องคิดไม่ต้องอคิดอะไรถ้าถ้าคิดเป็นก็คิดได้คิดว่ามันไม่ใช่เร า, เามันไม่ใช่ตัวเรามไม่ใช่ของเราเ มันเป็นเหมือนฝนอย่างเงี้ยวายมันเป็นไปเราทําอะไรไม่ได้เราห้ามไม่ได้ให้เรารู้เฉยๆไปเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทรมานใจถ้าใจเราอุเบกขาได้เฉยๆได้เราก็จะไม่ทรมานใ จ, ใ จ, จ, นใจที่เราทรมานเพราะเรายังอยากจะให้มันหายมันต้องหยุดตัวนี้ให้ได้วิธีที่จะหยุดก็ย้อน ย้อนกระแสมันก็ได้อยากให้มันอยู่แิอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามึงอยากจะอยู่อยู่ไปอยู่ไปนานๆอยา่าพ่งไปถ้าเราอยากให้มันอยู่แล้วเราก็จะไม่ทรมานใจเปลี่ยนใจให้ได้เปลี่ยนใจจากการอยากให้มันหายให้มันอยู่ถ้ามึงอยากจะอยู่อยู่ไปยินดีต้อนรับเสมเอ คำถามจากทาง youtube นะคะจากคุณลาวันถ้าเรามีสติละตัวตนได้จิตจะปล่อยวางจะพบผู้รู้พบความว่างๆเป็นปกติเฉยๆเย็นๆเป็นเช่นนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องที่นี่มันอยู่ให้จะวางได้ทุกครั้งหรือเปล่าของบางอย่างถ้ามันเราไม่ไปยึดไปถือมากมันก็วางได้ของที่เรายึดถือหรือของที่เรารักเราชอบมากอาจจะ ปล่อยวางยากก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆแต่ถูกต้องตามหลักแล้วว่าเราต้องมองว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ทำอย่างไรถึงสามารถทำจิตให้มีความเมตตากับบุคคลที่เรามีอคติด้วยได้คะคือเขากับเราก็มีอคติด้วยกันทั้งคู่ ตอนนี้อุเบกขากันไปอยู่แต่ในความอุเบกขานั้นไม่มีความเมตตาให้กันค่ะก็ยังเมตตาไม่ได้ก็อุเบกขาไปก่อนก็แล้วกันแล้วสักวันหนึ่งอาจจะเกิดกำลังขึ้นมาต่อไปหรืออาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้เราเกิดความเมตตากับเขาขึ้นมาก็ถ้ายังไม่เมตตาก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปมีความคิดไม่ดีกับเขาก็แล้วกัน ทำใจเฉยๆไปก่อนก็คิดว่าเขากับเราเป็นน้ำกับน้ำมันก็แล้วกันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้น้ำกับน้ำมันมันไม่อยู่ร่วมกันเอาน้ำเอาน้ำมันใส่ผสมกับน้ำในขวดเ้าลองเขย่ามันดูให้มันอยู่ร่วมกันมันไม่อยู่หรอกมันจะแยกออกจากกันเนี่ยงังคนเหล่านี้บางทีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันมีความเห็นไม่ตรงกัน ก็แยกกันอยู่ได้ไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายเดวตรงไห น, นเดวร้ายตรงไห น, นอย่าอย่าอย่าอย่าทําร้ายกันก็แล้วกันคําถามจากผู้ฝากถามบนเขานะคะมีทางรู้ใหมว่าเราปฏิบัติมาถูกทางแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรคะก็จิตใจเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปคําถามจากคุณศรัทธา อยากทราบว่าถ้าโยมถือศีลแปดปฏิบัติบ้านปฏิบัติที่บ้านแทนที่วัดโยมควรแต่งชุดขาวใหม่เจ้าคะแล้วแต่เราอยู่ที่บ้านจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครที่เขาแต่งชุดขาวเพราะเวลาไปที่วัดหรือไปที่เขาปฏิบัติธรรมเขาก็มีกฎมีระเบียบให้เราแต่งกายแบบนั้นแบบนี้เราก็แต่งกายไป แต่การแต่งกายด้วยสีนั้นสีนี้ไม่ได้ทำให้เรามีศีลขึ้นมาหรือไม่มีศีลมีศีลไม่มีศีลอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะมีความตั้งใจจะรักษาศีลและรักษามันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเฉนั้นเราจะแต่งชุดสีอะไรก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านแต่ขอให้เรารักษาศีลแปดให้ได้แล้วกันคาถามจะคุณยุยงการที่จะทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ ดูจากการดับทุกขั้นต่างๆหนึ่งสองสามขั้นแรกคือการไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายคือการละสกักยัิทิฏฐิใช่ไหมเจ้าคะส่วนขั้นต่อไปทุกขั้นขั้ น, นต่อไปขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเจ้าคะขั้นพระโสดาบันก็จะทําให้ตัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้ แต่ยังมีความอยากจะกลับมาเกิดอยู่เพราะยังมีความอยากจะเสพกามอยู่พระโสดาบันยังอยากมีแฟนยังอยากร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ก็ต้องลดความอยากนี้ด้วยการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนมองดูร่างกายของแฟนตอนเวลาลตายไปบ้างเวลาตายไปแล้วนี่ยังจะเก็บแฟนไว้ในบ้านหรือเปล่าแฟนตายตอนเช้าตอนคืนนี่ยังเก็บไว้นอนด้วยกันหรือเปล่า เนื้อยกให้สับเปล่าไปถ้าเราแล้วถึงร่างกายเวลามันตายมันก็จะทําให้เราคลายกามอารมณ์ขึ้นมาลงไปได้หรือจะมองเข้าไปข้างในร่างกายก็ได้มองไปใต้ผิวหนังเข้าไปจะเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดเห็นไตเห็นลําไส้เห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทําให้ความอยากในกายมันน้อยลงไป ถ้าเห็นได้ตลอดเวลามันก็จะหมดไปพระส ก, กิรดาคามีนี้เห็นได้บางเวลาบางเวลาก็ไม่เห็นบางเวลาก็เผอบางเวลาก็ยังมีการอารมณ์บางเวลาก็ดับการอารมณ์ได้ท่านบอกว่าพระส ก, กิรดาคามีนี้ทําให้การอารมณ์เบาบางลงไปแต่ไม่หมดก็จะได้ขั้นที่สองขั้นส ก, กิรดาคามีก็จะอยากจะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากแลท้อ สามารถหยุดการมารมได้อย่างตลอดเวลาคือเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ทุกเวลาที่ต้องการจะเห็นพอเกิดการมารมปั๊บก็นึกถึงอสุภะปับ๊บการมาลมก็ดับไปปับ๊บการมารมต่อไปก็ไม่โผล่ขึ้นมาก็จะสามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังมีความอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปภพกับอรูปภพ ภาวะตันหาคือความอยากในในรูปประพมวิภาวะตันหาคือความอยากในอรูปประพมอก็ต้องตัดความอยากทั้งสองนี้ไปตัดได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็เป็นพระอารหันต์ไปคําถามจากผู้ฝากถามบนเขาการใส่บาตรตอนเช้าเราใส่อาหารกับข้าวสด ได้บุญเยอะกว่าการใส่อาหารแห้งจริงไหมเจ้าคะต่างกันไหมเจ้าคะาไม่ต่างเลยความจริงต้องใส่อาหารสดเท่านั้นถึงจะถูกใส่อาหารแห้งพระฉันไม่ได้เช่นใส่ใส่ของดิบนี่เข้าไปการจะถวายอาหารต้องถวายของสุกแต่ที่เขาให้ถวายของดิบเช่นพวกเครื่องกระป๋องอะไรต่างๆนี้เพราก็เห็นว่า เวลาวันสําคัญสำคัญเช่นวันปีใหม่นคนใส่บาตรกันเยอะเขาเสียดายอาหารเพราะถ้าเป็นอาหารสดพระก็เก็บไว้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมไม่ต้องการให้พระเก็บอาหารได้ให้หาเฉพาะกินแค่เฉพาะวันไปเท่านั้นเองที่เหลือก็เอาไปทําบุญทําทานไปแจกจ่ายคนที่เขาทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนั้นการใส่บาตรที่ถูกต้องเนี่ยคนจะใส่แต่อาหารสดอาหารที่รับประทานได้ในวันนั้น อย่าไปให้พระท่านสะสมท่านไม่มีความต้องการที่จะสะสมถ้าอยากจะให้สะสมไม่ต้องเอาไปให้กับวัดจะดีกว่าวัดเขาจะมีกองกลางมีห้องมีสเสบียงห้องเก็บของแต่ไม่ได้เป็นของพระเป็นของวัดเวลาที่พระขาดแคลนทางวัดก็จะได้เอาของที่เก็บไว้นี่มามาถวายพระได้ได้กับพระโดยตรงนี้ท่านรับกับมือแล้วจะเก็บไว้ไม่ได้ อาหารที่บินระบาตหลังจากเที่งวันไปแล้วนี่ต้องสละไปหมดคําถามจากทางไลน์จากคุณอโนนุสลูกชายอยากเรียนวิศวะแตพ่พ่ออยากให้เรียนหมอสุดท้ายลูกก็เลือกเรียนวิศวะพอจบมาเลือกทํางานเอกชนในสิ่งที่เขาอยากทําแต่พ่ออยากให้รับราชการซึ่งขัดใจพ่อ ทำให้พ่อไม่พอใจแบบนี้ลูกชายบาปไหมเจ้าค้าที่ทำให้พ่อไม่สบายใจไม่บาปแล้วพ่อเนะ่เป็นคนบาปที่ไปยุ่งกับชีวิตของลูกพ่อมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนลูกลูกเขาถนัดอย่างไรเขาชอบอย่างไรก็ควรที่จะสนับสนุนถ้ามันไม่เป็นการกระทําที่ผิดเสียหายเป็นบาปก็ไม่ควรที่จะไปไปขีดเส้นบังคับเขา เพราะคนเรามีความชอบมีความถนัดไม่เหมือนกันยิ่นไปบังคับเขาแล้วจะทําให้เขาทุกข์แล้วเขาจะไม่สามารถพบกับความสําเร็จในชีวิตของเขาได้ยิ่งพ่อแม่คนจะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกทําในสิ่งที่เขาถนัดที่เขาชอบแต่ต้องเป็นของที่ไม่เสียหายไม่เป็นบาปคําถามจากคุณวิรัตอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการเกิดดับครับ เกิดดับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีต้นแล้วมีปลายต้นก็คือเกิดดับก็คือปลายที่เกิดดับนี้บางอย่างมันก็เร็วบางอย่างมันก็นานมันช้ามันเราต้องรู้ว่าว่ายังไงมันก็ต้องดับเพียงแต่บางอย่างมันดับช้าดับเร็วสิ่งสิ่งที่ดับเร็วเกิดเร็วก็คือเสียงเนี่ยพอพูดปั๊บก็ดับไปแล้วพอเราพูดปั๊บมันก็หายไปแล้วเกิดดับทันที อันนี้ก็เป็นการเกิดดับเหมือนกันแต่ร่างกายนี้เกิดดับบางทีมันก็เร็วบางทีก็ช้าบางคนก็เกิดปั๊บเจ็ดวันก็ตายบางทีเกิดมาออกจากท้องแม่ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ตายอันนี้ก็เกิดดับเหมือนกันบางทีเกิดมาแล้วก็จะดับนู่นร้อยยี่สปีร้อยสิปีอันนี้ก็ดับเหมือนกันนั่นคือการเกิดดับนี้มันมีในทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงแต่ว่ามันช้าหรือเร็วเท่านั้นเองไม่เหมือนกันตรงนี้แต่ เ, เหมือนกันตรงที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาให้มองอย่างนี้ชาล่าหลังนี้เดี๋ยวมันก็ต้องพังทุกอย่างสร้างแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังเห็นไหมกรุงศรีอยุธยาสร้างมาสวยงามขนาดไหนวันนี้ก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วกรุงสุขโข้ไทย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังท้าเรียกว่าเกิดดับเกิดดับไม่ถาวรคำถามจากคุณสุคุงเรื่องการปฏิบัติจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องปฏิบัติเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นคะออถ้าปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนพระปฏิบัตินี้ปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติมันมีหลายส่วนด้วยกันส่วนที่ปฏิบัติได้ตลอดเวลาก็คือสติ พอเราลืมตาขึ้นมาแล้วก็ควบคุมความคิดเลยดึงใจไว้ให้อยู่กับพุทโธดึงให้อยู่กับร่างกายก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วเฝ้าดูอยู่กับร่างกายไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติแลส่วนการนั่งสมาธิก็เมื่อมีเวลาว่างก็นั่งได้เลยถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเปลี่ยนนิรยาบทเพราะนั่งนานๆร่างกายมันก็เมื่อยมันก็เจ็บก็ปวดก็ต้องมีการผ่อนเปลี่ยน ผ่อนคลายความเจ็บปวดนั้นด้วยการเปลี่ยนริยาบทจากนั่งก็มาเดินหรือถ้าไม่เดินถ้ามีกิจวัตรต้องทําต้องปัดกวาดต้องทําอะไรก็ทําไปแต่เวลาทําก็ทําด้วยสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัตินี้จริงๆแล้วปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนทุกเวลานาทีจะไม่ปฏิบัติก็เฉพาะเวลาหลับเท่านั้นเองคําถามจากคุณพลพิทักษถ้าเราทําบุญ รักษาศีลนั่งสมาธิเป็นประจำแต่ตอนที่เราจะตายนั้นเรามีอารมณ์โกรธพยาบาทและโลภเมื่อตายไปเราจะตกนรกไหมครับก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทาว่าอันไหนมีกาลังมากกว่ากันเหมือนกับเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายสิ้นเดือนเราก็มาดูทบทวนดูว่ารายรับกับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากัน ถ้ารายจ่ายมากกว่าก็ติดลบเรียกว่าขาดทุนเป็นหนี้ต้องเป็นหนี้ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็กำไรไม่ขาดทุนไม่ต้องเป็นหนี้การทำบุญทำบาป ก, ก็เป็นเหมือนรายรับรายจ่ายทำบุญก็เหมือนรายรับเราจะได้ความสุขเราจะได้ไปสู่สุขติทำบาปเราก็จะได้ความทุกข์เราก็จะไปสู่อบายในเวลาที่เราตายนี้ บ, บัญชีบุญกับบัญชีบาปมันจะมามันจะมาแข่งกัน จะมาแย่งดวงจิตดวงใจของเราให้ดึงไปทางใดทางหนึ่งถ้าถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงไปทางสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปทางอบายคำถามจากคุณเป็นอิสระเวลาเรานั่งสมาธิรู้สึกได้เหมือนมีอีกคนในตัวเราโยกเยกไปมาคืออะไรเจ้าคะก็เราเนั่นแหละเพียงแต่เราไปรู้สึกว่ามันเป็นอีกคนหนึ่งมันก็เป็นเราเนี่ย คือเราก็คือผู้รู้เนี่ยแล้วก็ผู้คิดก็อีกคนหนึ่งนตะมันก็อยู่ในตัวเราเนี่แหละร่างกายก็อยู่อยู่อีกส่วนหนึ่งในใจเราก็มีสองคนผู้รู้กับผู้คิดแล้วเรายังมีร่างกายที่เรามาคอยสั่งให้มันทำอะไรอีกเนี่ยความจริงแล้วเราก็มีอยู่สองสามคนด้วยกันเวลานั่งสมาธิเรานั่งเฉยๆเราก็จะได้เห็นตัวผู้คิดมันก็คิด คิดแล้วบางทีมันก็ทําให้ร่างกายขยับไปขยับมาตามความคิดนะคาถามจากผู้ฝากถามบนเขาพระโสดาบานันทาสัญญกรรมจมูกได้ไหมเจ้าคะก็ยังอยากสวยอยากงามอยู่พระโสดาบันยังอยากมีแฟนอยู่ถ้าไม่สวยก็ต้องไปทําตัวให้สวยจะได้หาแฟนได้ไม่ใช่ว่าทําได้ไม่ได้อยู่แล้วอยากทําหรือไม่อยากทําถ้าอยากอยากทําอยู่ก็ยัง ก็ยังเป็นโสดาบันแต่ไม่เป็นพระอนาคามีแต่ถ้าพระอนาคามีนี่ไม่ไม่สนใจหน้าตาจะสวยไม่สวยจะเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวเสื้อผ้าจะส ว, สวยไม่สวยไม่สนใจใส่ชุดขาวได้ไม่ต้องใช้เครื่องสอําอางได้โกนหัวได้ถ้าเป็นพระอนาคามีแต่ถ้ายังเป็นพระสะกิรดาคามีพระโสดาบันอยู่นี่ยังโกนหัวไม่ได้ยังเสียดายผมเยอะ เสียดายความงามยังอยากมีแฟนชอบใจคำถามจากคุณจีระดีหนูนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงจับพุโทโธได้โดยใจไม่วอกแวกหมายถึงหนูมีสติหรือยังเจ้าคะถ้าไม่วอกแวกก็มีแต่ยังไม่อาจจาพอที่จะดึงให้รวมเป็นหนึ่งให้นิ่งได้ให้รวมให้ปล่อยวางร่างกาย หรือให้เป็นอุเบกขาถึงแม้จะรับรู้เรื่องของร่างกายก็ไม่วุ่นวายไม่ลำคาญไม่ลำคาญกับอาการเจ็บต่างๆของร่างกายไม่ลำคาญกับเสียงหรืออะไรที่มาให้สัมผัสรับรู้เฉยๆยังก็เรียกว่ามีสมาธิคำถามจากคุณปียพรปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิมาสักพักแล้วสามารถรวบรวมสมาธิได้เร็วขึ้นและรู้สึกมีความสุขและสงบ ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นและขอพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้นาทางต่อไปด้วยค่ะก็พยายามทำให้ชนานาญนั่งสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ถ้าได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิถ้าชนานาญทางสมาธิแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้ไปทางปัญญาให้คิดให้มานพิจารณาสอนตนว่าทุกอย่างในโลกนี้เกิดดับเกิดดับ มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการยี้จะต้องพัดภาคจากกันเสมอเพื่อจะทําให้เรากลัวไม่อยากได้สิ่งต่างๆมาคําถามจากคุณแนนซี่หากเราตายสิ้นสติขณะมีอาการหัวใจวายหรือชักอาการสโตรกจิตจะดับไปแบบอย่างไรและสถานการณ์อย่างนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่ หรือไม่ที่จะสามารถกําหนดจิตเข้าสมาธิขณะขาดใจตายในอาการนั้นคะก็แล้วแต่ความสามารถที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาว่าเรามีความสามารถที่จะควบคุมจิตใจได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้มันก็จะต้องเป็นเรื่องของบุญของบาปไปบุญของบาปก็จะเป็นตัวที่จะกําหนดให้เราตายให้จิตออกจากร่างกายไปอย่างไรออกไปด้วยความสงบหรือออกไปด้วยความทุกข์นี่ก็อยู่ที่บุญที่บา แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้มีสติควบคุมใจได้เราก็จะสามารถควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้ค่ะคำถามของหนูหมดแล้วใช่ค่ ะ, ะมีคำถามต่อจริงก็มีพระบางอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องถามมากก็ได้ไปทําให้เยอะๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องถามแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามีมีท่านอาจารย์บางท่านท่านบอกว่า ให้มีสติแล้วลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หนึ่งเช่นคิดก็ให้รู้ว่าคิดกระดดไม่จูงแล้วไม่ก่อนจะคิดเนี่ยันไม่มีสติเพื่อให้หยุดคิดถ้ามีสติแล้วคิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานั่งสมาธิมันจะไม่สงบอยากคิดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรถ้ารู้ว่ากำลังคิดก็หยุดคิดเสียก็คือให้หยุดก่อนแล้วก็ มีสติรู้ใช่ไหมสติก็คือให้รู้เฉยๆอย่าคิดรู้ว่ากําลังเดินรู้ว่ากาลังนั่งรู้ว่ากาลังอาบน้ำรู้ว่ากําลังแปรงฟันรู้นี้ได้แต่อย่าไปรู้แล้วรู้ว่าคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็ปล่อยให้คิดอย่างนี้มันก็มันก็ไม่เป็นสติเห็นอย่างที่คนเขาพูดว่ามีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตอีกดวงหนึ่งกาลังคิดอะไรประมาณนั้นป่ะอรู้แล้วต้องหยุดมันอย่าให้มันคิดทีนี้อิทิยาบดทุกอิทธิยบดไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนเนี่ย การกำกับที่โดยสติหรือว่ารู้คิดหรืออะไรก็ตามที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยก็ถือเป็นสมาธิด้วยแหละครับยังยังเป็นสติไงยัเป็นสมาธิต้องมานั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธพุทโธจนกว่าจิตจะรวมร่างกายหายไปจากความรับรู้เหนือแต่ผู้รู้สักแต่บารู้เพียงอย่างเดียวทีนี้อาการเบื้องต้นอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเป็ น, นวด แล้วก็ถ้าหมอนวดกดแรงแนละ้วเราก็รู้สึกว่าเจ็บแล้วเราก็เอาจิตไปรับรู้การเจ็บแล้วก็ทนไม่ได้แต่พอเรารู้ตัวว่าเจ็บเรากำหนดมาว่าอยู่ตรงแถวๆความคิดเราตรงหน้าผากเราอะไรอย่างเงี้ยให้มันห่างจุดที่เจ็บอาการกดเจ็บมันหายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณจ่าก็เราไม่ไป ม, มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายมันไม่ไปนสนใจกับความเจ็บความรู้สึกเจ็บก็เลยหายไป ก็คือจิตกับกายแยกกันหรื อ, อยังครับแบบนี้ก็แยกกันคือจิตไม่ได้ไปยุ่งกับความเจ็บของร่างกายปล่อยให้เจ็บไปแบบนี้จะเป็นพื้นฐานในการในการนั่งสมาธิได้หรือเปล่าครับได้ถ้ามีเวลาเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาก็อย่าไปดูที่ความเจ็บหรือถ้าจะดูก็ต้องดูแบบปล่อยวางดูแบบไม่ไม่มีอาการสนใจว่ามันจะเจ็บหรือจะหายเจ็บหรือไม่ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันทีนี้ ที่บอกว่าเวลานั่งสมาธิไปแล้วเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็กลับมาพิจารณาหรือวิปัสสนานั้นนะอย่างยังถ้าเป็นหนึ่งปล่อยให้มันเป็นหนึ่งไปก่อนจนกว่ามันจะถอนออกมาเป็นสองเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยพิจารณาถ้าเริ่มคิดเลยก็ถือว่ายังไม่ใช่นะครับก็ถ้าคิดก็ยังไม่สงบต้องให้มันสงบสงบแล้วก็ต้องปล่อยให้มันสงบไปนานๆจนกว่ามันจะ คิดแล้วเราถึงค่อยเอาไปพิจารณาผมสมมติว่าตอนที่นั่งครั้งแรกพอกำหนดให้นั่งนิ่งๆแล้วก็เริ่มพิจารณาถึงสติปัฏฐานสี่ว่าถ้าเอาจิตไปไว้ที่กายก็พิจารณาวพากายของเราอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังหรือที่นี้ระหว่างที่นั่งมันเริ่มมีอาการปวดหลังเล็กน้อยเราก็พิจารณาว่า อันนั้นเป็นเรื่องของกายกำลังเกิดความเจ็บอยู่แล้วมันก็น่าจะไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปแล้วก็กลับมาจุดที่เอาจิตมาไวท้ที่ที่สมมติว่าใกล้ๆหน้าผากอะไรประมาณนี้นะครับหรือลมหายใจอย่างนี้นะครับมันก็ลืมไออาการเจ็บปวดนั้นหรือว่ามันทุเลาลงหรือเรานั่งขัดสมาธ์แบบเพชรที่มันตึงจนแน่นแล้วก็รู้สึกว่ามันทนจะไม่ได้พอกลับมาที่ลมหายใจอีกอาการเจ็บปวดที่ ศาสตร์สมาธิเพชรก็เริ่มหายไปหรือลดลงแบบนี้เรียกว่าเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเป็นว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างสติกับการเผยสติถ้ามีสติมันต้องอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นถ้ามันไปที่อื่นก็สแสดงว่ามันเผอสติพอได้สติก็ดึงมันกลับมาที่ลมต่อสมมติว่าในระหว่างที่เรากําลังคิดเรื่องกายแล้วอย่างนั้นพอกลับมาที่จิตเราก็รู้สึกว่าเรามาอยู่ที่จิตแล้ว จะเรียกว่าสติกับมาที่จิตก็ตั้งมันคุณต้องกลับมาที่ที่ลมอย่างเดียวเท่านั้นไปอยู่ที่จิตคุณว่าจิตมันอยู่ที่ไหนล่ะจิตเป็นอะไรคนก็ไม่รู้คนว่าจิตกลับมาที่จิตนี่จิตเป็นยังไงการกลับมาที่จิตกลับมาตรงไหนถึงเรียกว่ากลับมาที่จิตอันเปนส่วนของความคิดหรือเปล่าครับอันนี้คนก็ไม่รู้แล้วคนเราพูดว่ากลับมาที่จิต มันต้องกลับมาที่ลมเวลานั่งสมาธิเราต้องมีที่มีฐานมีที่ตั้งของการปฏิบัติเราต้องอยู่กับลมอย่างเดียวอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นถ้ามันไปก็ดึงกลับมาที่ลมอย่างเดียวจิตมันถึงจะสงบได้เอาลนะก็พอดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ